พระธรรมเทศนาแผ่นที่91ดลำดับที่13โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่5สิงหาคม2559มีชื่อเรื่องว่า้าป่าเพื่อสงอาพาธคณะสัทธาตโายมลูกหลานทุกคน วันนี้ที่ว่าเป็นวันมงคลมหามงคล ว, วันหนึ่งพวกเราจะได้มาร่วมมารวมกันทําบุญกับโรงพยาบาลหรือว่าทําบุญโรงพยาบาลปีหนึ่งก็มีเพียงครั้งเดียวที่ท่านทําบุญใหญ่แล้วก็ถือโอกาสเมื่อทําบุญแล้วก็จะมีการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อดูแลสงอาพาธตึกหลังนี่แหละตึกของหลวงตาของเราเนี่ อยู่ชั้นแปดชั้น9ชั้นสิบเป็นตึกสงอาพาดเพราะนั้นพวกเราได้มาร่วมกันในวันนี้อย่าได้พลาดโอกาสคงจะทำบุญคนละมากคนละน้อยก็ไม่ว่ากันแต่ได้มาทั้งทีแล้วควรจะมีการทำบุญแล้วก็ดูแลพระสงอาพาดในเมื่อพระสงอาพาดเข้ามาในโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็จะได้ ดูแลพระสงฆ์ที่มาจากจากตุรเทศบางทีก็บางองค์ก็ไม่เสมอการบางองค์ก็มีศรัทธาญาติโยมเยอะก็ไม่มีปัญหาแต่บางองค์เข้ามาแล้วท่านเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ป่ารงพงภัยไม่มีศรัทธาญาติโยมจะต้องได้อาศัยปัจจัยของศรัทธาญาติโยมนี่แหละที่จะได้รับกดูแล โดยเฉพาะอย่างยิ่ยงเมื่อท่านป่วยเข้ามาท่านก็มีลูกศิษย์ลูกหาติดตามมาลูกศิษย์ลูกหาเหล่านั้นก็จะได้อาศัยปัจจัยเหล่านี้แหละเป็นค่าพัฒหารเป็นค่าน้ําปานะ เ, เมื่อท่านกลับวัดไม่มีปัจจัยส่งเหมารถกลับเราก็จะต้องเอาปัจจัยจํานวนนี้แหละเหมารถส่งกลับถึงที่วัดของท่านเพราะฉะนั้นเรื่องปัจจัยเหล่านีเ้เป็นมูลนิธิบริหารโดยคณะกรรมการมีทั้งหมด 1ิบหท่านนะสิ 15, ท่านแต่หลวงพ่ออินถวายน่ะเป็นประธานเป็นประธานคัดตาทับนะแต่ตามไม่จริงหลวงพ่อเองก็ไม่อยากจะเป็นหรอกเป็นประธานจากจะให้หมูลนิทิเนี่ยเป็นมูลนิทิของหลวงตามหาปัวเพราะตึกหลังนี้เป็นตึกของหลวงตาแต่คณะกรรมการประชุมกันแล้วตกลงกันว่าเข้าไปขอเชื่อจากคณาญาติขององค์หลวงตา พอประชุมกันเสร็จแล้วก็ส่งคณะแพทย์คณะหมอเข้าไปสมัยนั้นคุณแม่จันดียังมีชีวิตอยู่ก็เข้าไปหาคุณแม่จันดีและกลุ่มคณะญาติของท่านว่าจยกจะได้ชื่อหลวงตามาเป็นชื่อมูลนิธิมูลนิธิหลวงตามหาบุญนับสำปันโงดูแลสงอาพาสโรงพยาบาลอุรานีจะอยากจะได้ชื่ออย่างนี้แต่คุณแม่ท่านก็บอกโอ้ หลวงตาท่านก็จากไปแล้วพวกผู้ค่าทั้งหลายก็ไม่สามารถที่จะเอาชื่อท่า น, านให้ได้เพราะเอาให้ไปแล้วก็ไม่มั่นใจว่าบูนิธิจะไปแผลไปขอไปเรียอะไรจากผู้ใดจะเดือดร้อนก็ทำให้กิตติศัพท์ชื่อเสียงองค์หลวงตาเสียหายเาพราะนั้นไม่ไม่กล้าให้แต่ทีพวกคณะแพทย์ก็กลับมาเพราะกลับมาหลวงพ่อเออเอาอย่างไงเอาเอาชื่อหลวงพ่อก็แล้วกันนะหลวงพ่อจะเป็น ชื่อคัดตาทับไว้ก่อนในเมื่อกิจการหรือว่ามูลน so ิธิของเราไปด้วยดีไม่มีปัญหาไม่มีการเลี่ยไรไม่ทำให้ใครเดือดร้อนะเราจึงค่อยเข้าไปหาคณาญาติของหลวงตาอีกเพราะว่าการที่จะไปขอเนี่ยถ้าหากว่าเราเอามาตั้งจะเลยไม่ได้นะผิดกฎหมายเขานะเขาฟ้องร้องคือมาติดติดคุกติดตารางได้เพราะเอาชื่อของท่านมาโดยที่ไม่มีใครอนุญาตนะ เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อเรียนให้พี่น้องศรัทธา ญ, ญาติโยมทราบแต่ไม่ใช่หลวงพ่อมักใหญ่ไฟสูงนะที่เป็นมาก็คือเป็นมาอย่างนี้แหละเพราะนั้นวันนี้ก็เป็นการทําบุญแล้วก็เป็นการทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนจุดนี้ล่ะแต่หลวงพ่อเป็นมาได้เป็นมาได้2ปีแล้วนะศรัทธา ญ, ญาติโยมอีก2ปีก็คงจะจบดิวสปี4ปีจะมีการคัดเลือกครั้งหนึ่ง เ, เมื่อจบ4ปีแล้วน่ะหลวงพ่อก็คงจะ หาคณะกรรมการเข้าไปเรียนขอจากคณะญาติของของหลวงตาเพราะว่าจะถูกปัจจัยหรือว่าโมนิธิของเราไม่ได้มีการเลี่ยไรไมิตรธรรมคุณประโยชน์ให้กับคณะสงฆ์จากจากตุรทิศนะหลวงพ่อขอประกาศได้เลยว่าเราตั้งมาได้2ปีนี่นะสองปีกว่าเนี่เดี๋ยวนี้จะถูปัจจัยมูลนิธิของเราเดี๋ยวนี้หลวงพ่อดูในบัญชีก็ได้25ล้านนะานนะลูกหลานนะ นี่แหละคณะสัทธาญาติโยมต่างคนก็ต่างทยอยกันมาถวายและก็ บ, บัญชีของเราเป็นบัญชีกองหน้ากองหลังนะอกองหน้าก็คือนี่แหละเอามาใช้ในงานถ้ามีจตุ ป, ปัจจัยมาบ้างส่วนเราก็เอาเข้าบัญชีกองหน้าเอาไว้เพื่อทางหมอทางพยาบาลเห็นสมควรอย่างไรที่ได้ใช้อย่างไงหลวงพ่อก็ได้เซ็นชื่อลอยไว้ว่า ให้ใช้ให้เกิดประโยชน์แต่นู่นครับครบรวครบหนึ่งปีพวกนี้ก็จะได้รายงานขึ้นมาว่าได้ใช้จ่ายอะไรไปบ้างอย่างที่โรงพยาบาลศรีนะครินจังหวัดขอนแก่นที่หลวงพ่อไปเป็นประธานนะ เ, เป็นประธาน เ, เป็นปีที่3เป็นครั้งท ค, ครั้งที่3นะครั้งละสีป่ปนะีครั้งหนึ่งหลวงพ่อคัดตาทับเนี่ยเขาขอพอจะเป็นจะลาออกครั้งที่2เออหลวงพ่อกำลังมันเดินได้อยู่ หลวงพ่อเอาเดือนนึงขอหลวงพ่อเป็นต่อเอกหลวงพ่อก็เป็นต่ออีกพอมันครบเมื่อเดือนมิถุนาที่ผ่านโอ้หลวงพ่ อ, อถึงยังไงยังไงก็ถึงให้เป็นชื่อให้เป็นประธานาด้วยเธอหลวงพ่อเอาจะไม่สร้างปัญหาให้หลวงพ่อเหรอเพราะหลวงพ่ออายุมากแล้วแก่แล้วนะจะควบคุมดูแลไม่ได้ถ้าว่าลูกหลานคณะสัตยาติโยมตัวว่าคณะกรรมการเป็นผู้ตั้งใจทําการทํางานไม่สร้างปัญหาไม่ก่อเกิดปัญหา หลวงพ่อก็ยินดีแต่ถ้าหากว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นหลวงพ่อเสียประวัติเวลาแก่เมื่อแก่ขึ้นมาแล้วหลวงพ่อยินกับทุกทีมกับหมู่กับคณะกินเงินมูลนิทิเน่มันเสียหาย ห, ายหลวงพ่อนะหลวงพ่อไม่มีเจตนาแม้แต่น้อยเดียวที่จะเอามาเงินจะตุกัจจใจเหล่านี้เอามาใช้เป็นส่วนตัวมีแต่จะสงเคราะห์อนุเคราะห์ให้กับโรงพยาบาลหรือให้กับคณะสงฆ์ผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยเท่านั้นนะ ลวงพ่อไม่ได้มีเจตนาเป็นอย่างอื่นเพราะนั้นขอให้พวกคณะกรรมการทั้งหลายให้ช่วยกันดูแลถ้าหากว่าอยากจะให้ลวงพ่อเป็นต่อน ะ, เ, อะเขาก็ยินดีลุงพ่อก็ได้รับเป็นต่อเนี่ยเป็นปีที่สามโรงพยาบาลศรีนครินแต่เะเป็นก็เป็นที่น่าพ อ, พอเป็นที่น่าพอใจภูมิใจอย่างนี่แหละหลวงพ่อประสิทธิ์ที่ท่านมรณภาพที่ถ้าสายท่านกบรณภาพที่นั่นพันป่วยหนัก หลวงพ่อจันเรียนกับไปรับท่านมาจากจังหวัดเชียงใหม่นะ เ, เพราะว่าหลวงพิาบาลศรีนะักครินของเรามีกิติศัพท์ชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศเหมือนกันนะเรื่องการดูแลพระสงฆ์อาพาธนี่แหละตึกหลังนั้นก็เราก็บริหารจัดการอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเพราะนั้นโมนิธิหอพิบาลสงหลวงปู่มั่นดูดูแล้วก็ เออป่าปาเข้าไปเกือบร้อยขวบล้านนะนะคณะสัตายาญาตโยมโรคหลานหมูนิทิจุดนั้นนะแต่ว่าให้พอใช้ไม่ไม่พอนะดอกผลน้อยมากเดียเเด๋ยวนี้เดี๋ยวนี้โรงพยาบาลศรีนกรินเมื่อหลวงพ่อไปไประชุมเมื่อคราวที่แล้วแต่ก่อนก็ใช้ปีหนึ่งประมาณสามล้านเกือบสี่ล้านบาทดูแลพระสงฆ์อาพาธนะแล้วก็ปีนี้ยังไม่ถึงครึ่งปี หมดไปสามล้านแล้วหลวงพ่อเนหะลวงพ่อเออแก่มากเกินไปจะมั่งคณะกรรมการพ่อพ่อมือสักหน่อยนะหลวงพ่อก็ได้เตือนเพราะมันมีความจําเป็นแต่หลวงพ่อก็เตือนไปอย่างนั้นแหละนะแต่หากว่าพระสงฆ์ครูบาอาจารย์เก็บไข้ได้ป่วยมีความจําเป็นเออรือมันมีออโรคระบาดอย่างนี้เป็นต้นนะเมื่อมีอะไรที่จําเป็นจะต้องได้ใช้เงินมูลนิธิหลวงพ่อวเท อ, ออกมาเลย หลวงพ่อไม่เคยหวงเคยห้ามเอามาใช้ให้กับกับคณะสงฆ์ดูแลพระสงฆ์อาพาธแต่ว่าพระสงฆ์ตายหมดแล้วเงินหมุนที่จะไว้ทําไมา่มันไม่เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นขณะที่พระสงฆ์ครูบาอาจารย์เก็บไข้ได้ป่วยองค์ไหนมีความจําเป็นมากน้อยแค่ไหนก็เอาเอาอกมาใช้หลวงพ่อเคยยกเป็นตัวอย่างอย่างครูบาอาจารย์พระเถระท่านหนึ่งท่านป่วยเป็นมะเรง็งอย่างนี้จะได้ใช้ยาเข็มละเข็มละแสนแปดเดือน แปดเข็มเข็มละแสนหลวงพ่อก็เอาเอาเลยหลวงพ่อก็โอนให้นะนี่แหละเอามาใช้ดูแลเดี๋ยวนี้ท่านก็ยังมีชีวิตอยู่เพราะนั้นเงินมูลนิธิมีประโยชน์นะคณนะสัทธาติโยมลูกหลานถ้าหากว่าไม่มีมูลนิธิจะไปขอกอบอาเสียเท่าแก่ไหนนะออขอเงินแปดแสนเนี่ยสะดุ้งทุกทุกนนั่นแหละแต่มาขอกับหลวงพ่อมูลนิธิหลวงพ่อไม่จะทกไม่จะเถื่อเลย พร้อมที่จะหมอกให้พ่อเหตุไรเพราะว่าเงินนี้เป็นเงินปูลนิเทศเพื่อดูแลพระสองฆ์อาพาธในคราวจําเป็นถ้าหากว่าพระสงฆ์ตายหมดแล้วจะเก็บไว้ทําไมเงินก่อนนี้นะอันนี้ก็ขอฝากบอกเรียนให้พี่น้องศรัทธา ญ, ญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่าได้รับรู้รับทราบแต่หลวงพ่อเองก็เป็นที่ภาคภูมิใจในหลวงพ่อพูดต่อหน้าท่านเจ้าคุณราชวรารังการที่เป็นเจ้านายของหลวงพ่อเนี่ย เป็นเจ้าคณะจังหวัดดูแลพี่น้องลูกหลานพระเนนคณะสงฆ์ท่านเป็นเจ้าคุเจ้าคณะจังหวัดดูแลพระสงฆ์กับผมเองก็ได้ผักดันได้พูดกับคณะกรรมการทางโรงพยาบาลอยากจะให้เป็นสัดส่วนสำหรับพระสงฆ์พูดมาหลายๆพอ อ, อเนีเป้าเรื่องต่อหน้าหลวงพอ่อคงจะรู้พระหลวงพ่อไปที่ไรพุงพ่อก็ขอร้องนะขอร้องพอ อ, อ ให้จัดเป็นสัดส่วนให้ด้วยแล้วก็ต่อมาก็หลวงพ่อมาเห็นเมื่อคราวที่แล้วหลวงพ่อภาคภูมิใจเพราะว่าเป็นสัดส่วนขึ้นมาแล้วพระสงฆ์เข้ามาก็เข้ามานั่งมาตรวจแต่ถึงยังไงก็ตามท่านพ่ออธินนั่งอยู่ต่อหน้าและณะแพทย์ทั้งหลายและพยาบาลทุกท่านนะในห้องดูแลพระสงฆ์อาพาธขาดอะไรนะที่จําเป็นจะต้องได้ใช้ในห้องนี้ หลวงพ่อเองก็ยินดีนแล้วก็ถ้าหากว่าไม่ได้เอาเงินโมนนิทิออกมาใช้นะหลวงพ่อก็จะบอกกล่าวกับคณะศรัทธาญาติโยมที่รู้จักมักคุนผู้มีศรัทธามีอยู่ที่จะดูแลพระสงฆ์อาพาธนะไม่ต้องหนัก อ, อกหนักใจในเมื่อที่เตียงก็ดีเครื่องตรวจก็ดีอะไรก็ดีที่ไม่ีความจําเป็นหรือเก่าอีกก็ดีที่อยู่ในห้องดูแลพระสงฆ์ขอให้คณะ ท่านผ อ, อและคณะแพทย์คณะพยาบาลทั้งหลาย เ, เรียนบอกมาทางลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อก็ได้มาท่านประหลัดอันนี้คมนี่ก็ได้อดีตประหลัดจังหวัดของเราเนี่ยนะหรือผอ อ, อันนันก็ได้นะหรือบอกทางคุณเป้าก็ได้หรือบอกเรียนท่านผ อ, อ, อก็ได้ทางว่าคณะพยาบาลขาดเหลือขาดตกในห้องดูแลพระสงฆ์นี่แหละอันนี้ เราก็ไม่ได้ปล่อยปะละเลยถึงหลวงพ่อจะอยู่ห่างไกลจากตัวจังหวัดตัวเมืองตัวโรงพยาบาลแต่หลวงพ่อก็ฟังรับฟังเสียงจากครูบาอาจารย์พี่น้องประชาชนจากโรงพยาบาลอยู่เสมอเพราะเหตุไรเพราะหลวงพ่อเนี่ยถ้าหากใครถามขึ้นมาหลวงพ่อว่าเออการสงเคราะห์อนุเคราะห์นี่หลวงพ่ออินจะสงเคราะห์ยังไงหลวงพ่อก็บอกว่ายกสองนิ้วขึ้นมา1 3นิ้วทุกวันเนี่ยลกพ่อยก3ามนิ้วนะ 1. ่โรงพยาบาลให้ความสำคัญโรงพยาบาลเพราะเจ็บไข้ได้ป่วยอันที่สอคื อ, ค อ, คอโรงเรียนการศึกษาเรียนรู้จงได้รับการศึกษาประถมการลงล่ำลงเรียนอันที่สก็คือวัดวาศาสนาถ้าว่ามีความจำเป็นอย่างไรสาราหรือว่าที่ดินของวัดมีอะไรที่จะต้องได้ช่วยกันใหลงพ่อก็ได้3าอย่างนะ ทั้งวัดด้วยทั้งโรงพยาบาลด้วยทั้งโรงเรียนด้วยเพราะนั้นขอประกาศนะขอบอกกล่าวให้กับคณะสัทธาญาติโยมคณะสงฆ์ทั้งหลายน้องนุ่งทั้งหลายที่มาร่วมงานครูบาอาจารย์ทั้งหลายหลวงพ่อเองประกาศว่าหลวงพ่อเนี่ยเป็นพระสาธารณะทําไมสาธารณชนถ้าจุดใดสิ่งใดก็ตามที่เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนต่อประเทศชาติชาติสนาพระมาหากษัตริย์ หลวงพ่อยินดีเข้าไปดูแลเกือกูลจุดนั้นตามสติกำลังความสามารถที่มีอยู่นะเพราะนั้นหลวงพ่อเกิดมาทั้งทีชีวิตได้ปวดอยู่ในพระพุทธศาสนาขอให้อุทิศ ต, ตนเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้ประเทศชาติบ้านเมืองลูกหลานอยู่ด้วยกันร่มเย็นเป็นสุขนะ เนี่ยในชีวิตของหลวงพ่อหลวงพ่อมีเท่านั้นล้านลูกหลานนะถือว่าวันนี้เป็นวันมงคลมหามงคลวันหนึ่งและก็พร้อมกันพวกเราก็ได้ทำบุญในโรงพยาบาลพระสงฆ์ทั้งหมดวันนี้ทราบว่าทั้งหมดสามสิบกว่ารูปที่มาร่วมรับบิณฑบาตรับไตยธรรมต่อไปท่านเจ้าปกคุณท่านจะอนุโมทนาให้พรพวกเราก็ให้อุทิศส่วนกุศล ต่อผู้มีอุปกรณคุณพ่อแม่ปู่ย่าตายายวงศาราณาญาติญาติมิตรสหายและก็พร้อมกันให้อุทิศสวนกุศลต่อดวงวิญญาณที่มาล้มหายตายจากอยู่ที่โรงพยาบาลของเราแห่งนี้ก็คงจะมีมากพอสมควรอยู่เพราะโรงพยาบาลใหญ่หลายจังหวัดที่มารวมกันเพราะฉะนั้นดวงวิญญาณใดก็ตาม ที่ค้องแวะอยู่ในโรงพยาบาลของเราก็ขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากครูบาอาจารย์พวกเราได้ทําบุญในอุทิศกุศลในวันนี้ถ้าหากว่าท่านดวงวิญญาณใดตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้าหากว่าดวงวิญญาณใดมีสุขอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขจริงๆขึ้นไปให้พวกเราอุทิศส่วนกุศลทุกท่านอุทิศส่วนกุศลด้วยกันเนาะอ ประธานสงนะครับผมนิมนต์ครับผมท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายพร้อมทั้งระสงค์ที่ได้มาถวายผ้าปา่าเพื่อสมทบกองทุนอภิบาลสงที่ตึกหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโนท่านสาธินิกชนทั้งพระสงฆ์และฝ่ายบ้านเมืองซึ่งมีท่านรองผู้ว่าการจงังหวัดทุชัยพุทสาระได้มาร่วมในกล่าวครั้งนี้ทั้งโรงพยาบาลซึ่งมีท่านผ อ, อ, อตลอดถึงคุณหมอรองผู้ช่วยตลอดถึงเจ้าหน้าที่ พยาบาลทุกส่วนในวัดในโรงบาลนี้น้อมถวายร่วมกันเป็นกองทุนซึ่งยอดอยังไม่ชัดเจนทุกทุกท่านมีความตั้งใจในกันที่จะมาบุญเพนกุศลเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและสมทบปัจจัยไว้เพื่อ เป็นการอธิบายอภิบาลสงอย่างที่ท่านหลวงพ่ออินทวายได้กล่าวไปแล้วนั้นการอภิบาลสงหรือถวายรักขาสงนั้นอย่างที่ท่านพูดว่าพระพุทธองค์เมื่อสงพชนอยู่ท่านตรัสว่าท่านทั้งหลาย หรือดูก่อนภิกษุทั้งหลายคำว่าภิกษุนี้ไม่ใช่แต่เฉพาะพระสงฆ์ฮะภิกษุความหมายของว่าภิกษุนี้คือผู้เห็นภัยในสงสารภัยคือความเกิดแก่จิบตายผู้กลัวภัยเหล่านี้ถ้าอยากจะได้บุญได้กุศลเพื่อเป็นการยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้น เรียกว่าจนได้รู้ธรรมหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาจนกระทั่งได้รู้แจ้งเห็นจริงไม่เกิดแก่เจ็ตตายอีกต่อไปบุญกุศลเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้สิ่งที่จะอำนวยให้บุญกุศลนี้เพิ่มปูนขึ้นอย่างหนึ่งก็คือการอภิบาลภิกษุไข่ ท่านทั้งหลายมีความตั้งใจในอันที่จะบำเพ็ญกุศลร่วมกันเพื่อสมทบกองทุนดังที่กล่าวมาแล้วจะตุปใจที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมกันถวายมากน้อยเทียงไรก็ตามตามกำลังศรัทธาของแต่ละคนแต่ละท่านนั้นขอให้บุญกุศลส่วนนี้ที่ท่านทั้งหลายมีความตั้งใจบำเพ็ญในวันนี้ จงรวมกันเป็นพระวะปัสจยสนับสนุนส่งเสริมให้ทุกๆคนทุกๆ ท, ท, ท่านที่มาร่วมในการถวายกองทุนในวันนี้จงเจริญด้วยจตุรพิทพรชัยคืออายุวันลนะสุขภาระนึกคิดปรารถนาเสีงยงใดก็ให้สำเร็จดังตั้งใจจงทุกประการและอีกอย่างหนึ่งขอให้ทุกๆุท่าน เจริญด้วยรายยศสรรเสริญสุขอยู่เย็นเป็นสุขตลอดไปชั่วระยะที่เราดำรงชีพอยู่ในมนุษย์นี้บุญกุศลนี้จงส่งเสริมให้ทุกๆ ท, ท่านเจริญด้วยทุรพิภพชัยดังที่กล่าวมาแล้วและนอกจากนั้นขอให้ทุกๆ ท, ท่านทุกๆคนจงสำเร็จ ในความตั้งใจปรารถนาจเจริญด้วยในหน้าที่การงานและอยู่เย็นเป็นศขมีพราราไมยสมบูรณ์บริบูรณ์ในอันที่จะดำรงชีพอยู่ในโลกนี้ตลอดไปทุกที่ภาราตรีการขออนนาคุณพระศรีรัตนตรยัยเพ่องิบาลท่านทั้งหลาย ให้สำเร็จดังมโนนึกปรารถนาจงพุกประการและให้สำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจปรารถนาทุกทุกขั้นทุกทุกคนโดยทั่วกันเทินสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิตอนนี้ไปจะให้พรเป็นภาษาบาลีขอให้ทุกทุกขั้น ตั้งใจตรวจนา้าอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแก่บุคคลผู้ที่เราเคารพรับถือปิยชนทั้งหลายมารดาบิดาตลอดทึงผู้มีพระคุณขอให้ท่านเหล่านั้นได้รับรู้รับทราบอนุโมทนาบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายอุทิศไปนี้ทุกๆ ท, ท่าน